สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเฟรซูหนึ่งเก้าหนึ่งตอนอย่าปฏิเสธพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมอีบรูบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองอิบูบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าในโบราณการพระเจ้าได้ตรัส ด, ด, ด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเรา ทางผู้เผยวร้ชนะแต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสราษสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกพระองค์ได้ทรงสร้างกาลประจักร์วาลโดยพระบุตรนั้นพี่น้องครับบทเรียนในเช้าวันนี้ก็คืออย่าปฏิเสธพระเจ้าผลของการที่เกิดขึ้นตามมาในการปฏิเสธพระเจ้าจะเป็นอย่างไงบ้าง เมื่อเราเข้าใจคําสอนของอุปมาที่เกี่ยวข้องกับลูกนะครับทั้งทั้งสามตอนนี้ทําให้เราจะต้องหันกลับมาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราเองกับพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับคําอุปมาทั้งสามเรื่องที่เกี่ยวกับลูกก็คือคําอุปมาเกี่ยวกับบุตรสองคนพี่น้องคงจำได้นะครับในตอนแรกที่ผมได้นําเสนอไปบุตรชายคนแรกนั้นก็เป็นตัวแทนของคนเก็บภาษี นะครับเป็นตัวแทนของหญิงล่วงประเวณีเป็นตัวแทนของพวกนอกศาสนาที่กลับใจใหม่ที่เชื่อในข่าวประเสริฐนะครับคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่ได้รับความรอดแต่บุตรชายคนที่สองนั้นก็เป็นตัวแทนของพวกนักการศาสนาหรือผู้นำศาสนาคนเหล่านี้ครับก็มือถือปากมือถือศากปากถือศีล น, นะครับยอนมาเทศนาเขากลับใจแต่เขาก็ปฏิเสธ พระเยซูมาเทศนาให้เขากลับใจเขาก็ปฏิเสธไปลองครับครับอมมาเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรสองกอนนั้นก็ทําให้เรารู้ว่ากยาปฏิเสธพระเจ้าครับคําของพระเยซูทําให้อาจจะไม่พอใจนะครับแต่ก็ขอให้เราทุกคนที่จะยอมเชื่อฟังครับหลายๆครั้งคําตําหนินะครับคำเตือนสติที่มาจากโคจนะของพระเจ้าทําให้หลายๆคนขัดเคืองใจ แต่หลายคนไม่พอใจนะครับแต่เราต้องใช้ความพยายามต้องใช้ภ่าทีแห่งการเชื่อฟังครับและทําตามพระบัญญัติของพระเจ้านะครับดีแต่ไม่ทําก็ถือว่าใช้ไม่ได้ครับไม่เห็นดีแต่แรกแต่ต่อมากับใจไปทําถือว่าใช่ได้นะครับนี่คื อ, อทำอมมาอย่างแรกนะครับคำอมมาที่สอง ก็คือคําอวโมาเกี่ยวกับเรื่องคนเช่าสวนที่ชั่วร้ายพี่น้องคงจําได้นะครับว่าคนเช่าสวนที่ชั่วร้ายนั้นก็ปฏิเสธนะครับปฏิเสธตัวแทนที่มาจากเจ้าของสวนและในที่สุดเขาก็ปฏิเสธลูกชายของเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนนั้นก็ตัดสินใจส่งบุตรชายของเขาเองซึ่งจะเป็นทญาติรับมรดกในสวนนะครับมารับผลกําไร นะครับแต่คนเช้าสวนนั้นก็ฆ่าลูกชายคนนี้เสียคนเจ้าสวนนี้ก็คือพวกเราครับเจ้าของสวนก็คือพระเจ้านะครับผู้นำศาสนาที่พระเจ้ามอบหมายมอบหน้าที่เขาผิดชอบเขาจะต้องดูแลคนของพระเจ้านะครับในการดูแลคนของพระเจ้านั้นจะต้องอย่าปฏิเสธน้ำมันไทยของพระเจ้าครับอย่าปฏิเสธสิ่งที่เป็น พระประสงค์ของพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นการที่ในที่สุดแล้วพังพีบอกว่าศีลาที่ขัางก่อได้ทอดทิ้งเสียได้กลายเป็นศีลามุมเอ ก, กรนี้มาจากพระเจ้าเป็นการมหาสัจจรร์ประจักษ์ตาเราศีลามุมเอกนั้นหมายถึงเปียสุคริตครับรเปียสุคริชถูกปฏิเสธและถูกฆ่าตายนี่คือ พศีลาที่มีชีวิตที่มนุษย์ได้ปฏิเสธแต่ใครก็ตามที่ไม่ปฏิเสธคนนั้นจะได้ชีวิตนิรันดร์เพราะพระเยซูทรงเป็นศีลาที่มีชีวิตอุปมาที่สามก็คือเรื่องงานเลี้ยงในพิธีอภิเษกมาเหสีคุณน้องคงจําได้นะครับเมื่อวานนี้เองได้พูดถึางงานเลี้ยงสมรสของกษัตริย์นะครับและกษัตริย์ก็เชิญแขกแต่ปรากฏว่าพวกแขก ที่มีรายชื่ออยู่นั้นปฏิเสธครับไม่มานะครับแขกเมื่อแขกที่รับเชิญไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยง ก, กษัตริย์ก็ส่งข้าราชการไปเชิญใครก็ได้ครับที่อยากจะมาร่วมงานเลี้ยงในไม่ช้าก็เต็มไปด้วยแขกแต่ในที่สุดนั้นมีคนคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อผ้าแห่งความรอดไม่มีเสื้อคุมแห่งความชอบธรรมไม่มีเสื้อสีขาวให้สวม บุคคลที่ไม่มีเชื่อนะครับแห่งความชอบธรรมไม่มีเชื่อสีขาวไม่มีเชื่อผ้าแห่งความรอดนะครับก็จะต้องถูกทิ้งออกไปในที่มืดภายนอกและพี่น้องครับนี่คือบทเรียนทั้งสามบทของเราทั้งสามวันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิเสธน้ำพระทยของพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิเสธแผนการ ที่พรองค์มีกับชีิตของเราีน้องเราจะเห็นว่าบุตรชายคนแรกปฏิเสธคำร้องขอของบิดาที่ขอให้เขาทํางานในสวนหนึ่งบุญแต่ในที่สุดเขาก็ยอมครับทีแรกบอกไม่ไปแต่ยอมไปบุตรชายคนที่สองบอกว่าเขาจะไปเขาจะไปครับแต่เขาก็ไม่ไปนะครับเขาก็ปฏิเสธโดยการกระทําครับและประการที่ต่อไปก็คือคนเช่าสวนครับก็ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายค่าเช่า แก่เจ้าของสวนนะครับตามสัญญาอีกนี่คือกาปรปฏิเสธในอุบมาบทที่สองคนเข้าสวนนะครับปฏิเสธบุตรชายและทาสญาติเจ้าของสวนโดยการฆ่าเขาเชียรพวกปริสีครับพวกมหากรุณาธิคับปฏิเสธคําสอนของพระเยซูนะครับแขกที่รับเชิญมาในงานเลี้ยงสมรสปฏิเสธคําเชิญของกษัตริย์และแขกคนหนึ่งในงานก็ปฏิเสธไม่ใส่เสื้อผ้า ไม่ใส่ครึ่งผมสำหรับงานแต่งงานนั้นคำถามของผมก็คือว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิเสธเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิเสธคําเชิญของพระเจ้าเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิเสธคำเชิญให้ต้อนรับพระเยซูให้เชื่อพระเยซูคําถามต่อไปก็คือว่าเมื่อเราปฏิเสธน้ำมันไทัยของพระองค์พระองค์ผิดหวังหรือไม่ครับผมเชื่อแน่ว่าพระองค์คงผิดหวังดังที่ทุลพ่อผิดหวัง เมื่อดูเหมือนว่าบุตรชายของเขาปฏิเสธสิ่งที่บิดาขอให้เขาทําพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อดทนครับเพราะพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความรักอย่าลืมนะครับว่าคํานิยามของความรักก็คือเริ่มต้นก็คืออดทนเพราะความรักนั้นก็อดทนนานและกระทํากุลให้และสุดท้ายของความรักก็คืออะไรครับความรักทนได้ทุกอย่างนี่น้องครับ ขึ้นต้นความรักก็ทนลงท้ายความรักก็อดทนเพราะฉะนั้นพระเจ้าของเรานี้เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์อดทนเสมอครับพระองค์อดทนกับเราเสมอเมื่อเราปฏิเสธพระเยซูพระองค์ก็ทรงอดทนถามเราแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกับที่เจ้าของสวนนั้นกระทำเมื่อคนเข้าสวนปฏิเสธบ่าวคนแล้วคนเล่าที่ส่งเข้ามา ในที่สุดนะครับถึงจุดจุดหนึ่งแล้วความยุติธรรมต้องเกิดครับความชอบธรรมต้องเกิดความบริสุทธิ์ต้องเกิดเพราะฉะนั้นพระพิโรธต้องเกิดเมื่อเาปฏิเสธพระเยซูปฏิเสธพระเยซูปฏิเสธพระคริสต์จะมีผลที่เกิดขึ้นในภายหลังหลังจากความอดทนของพระเจ้านั้นสิ้นสุดลงนั่นคือเวลาของเรานั่นเองเวลาของเราสิ้นสุดลงในโลกนี้ ก็คือความอดทนของพระองค์ก็หมดเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรักเราตลอดชีวิตของเรานะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนพระเยซูพระเจ้าทรงรักโลกหมายความว่าความรักของพระองค์นั้นก็ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งคนนั้นจากโลกนี้ไปจากโลกนี้ไปพาะผี่บอกว่าเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะเข้าสู่การพิพากษาครับการพิพากษษารอยอยู่แต่คนใดก็ตามที่ไม่ปฏิเสธพระเยซู เขาก็จะเข้าสู่นามาไทของพระเจ้าแผนการนิรันดร์ของพระองค์เมื่อเราปฏิเสธพระเยซูพี่น้องจําไว้นะครับจะมีผลที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังอย่างแน่นอนอย่าลืมว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงรักพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อดทนแต่ก็ทรงเที่ยงธรรมด้วยและทรงยุติธรรมพระองค์จะไม่ปล่อยบาปที่เราทําไว้โดยไม่ตอบสนองนะครับพระองค์ทรงทำให้เราเห็นชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราปฏิเสธพระบุตรของพระองค์ด้วยในที่สุดการปฏิเสธพระเจ้าวันหนึ่งครับจะได้รับผลดังที่เราได้เรียนไปแล้วจะเป็นอย่างไรครับเมื่อเราปฏิเสธข้อเรียกร้องที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราทํางานในสวนแหนงุ่นคริสเตียนทุกคนนะครับรวมทั้งผมด้วยพี่น้องด้วยจะได้รับคําสั่งจากพระเจ้านะครับในพระหารมีขามัทกบทที่28ข้อ19 20, 8, 10, 9, 20. และในหนึ่งโครินเบอที่สามข้อเก้าเราทั้งหลายเป็นผู้ร่วมงานกันร่วมกันทํางานเพื่อพระเจ้าเมื่อเราปฏิเสธการร่วมงาน ก, การร่วมงานกับพระเจ้าการร่วมงานซึ่งกันและกันนั้นผลที่ตามมาจะเป็นยังไงครับแน่นอนครับเราจะขาดชันอิสุขในชีวิตของเราเราจะรู้สึกว่าชีวิต น, นั้นยังขาดอะไรไปบางอย่างชีวิต น, นั้นไม่สมบูรณ์เราไม่มีกําลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ของประทานที่เราเรามีอยู่นั้นเราไม่ได้ใช้เราไปหมกหรือว่าเราไปฝังอยู่ในดินเราอธิษฐานแล้วพระเจ้ชชาก็ไม่ตอบเพราะอะไรครับเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นผลของการที่เราไม่เชื่อฟังการที่เราฝรีเสษน้ำมันใส่ของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะเป็นยังไงครับเมื่อเราไม่เกิดผลพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้าจะเหนนะครับถ้าพี่น้องเปิดในพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้านะครับข้อสิบหกนะครับ แล้วอ่านดังๆครับอ่านให้ตัวเองได้ยินนะครับย้อนมาที่สิบห้าถึงสิบหกนะครับพี่น้อ ง, องลองเปิดดูนะครับหลังจากที่ฟังไปแล้วพี่น้องครับเราจะบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเราจะต้องพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์ยาปฏิเสธพรงเลยครับพี่น้องครับขณะที่พี่น้องได้ยินเสียงของผมนี้ผมเชื่อแน่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะทํางานในความคิดและจิตใจของพี่น้อง ขอเราทบทวนความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าครับถ้าเรายังไม่เคยตอบรับคําเชิญชวนให้เชื่อพระเยซูวันนี้จะเป็นวันหนึ่งที่เป็นโอกาสหนึ่งที่พระเจ้าสแสดงความรักและความอดทนกับเราวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะรับเสื้อคุมแห่งความชอบธรรมคาเชิญชวนของพระองค์นะครับบางทีนะที่เราได้ยินได้คุยกันวันนี้บางท่านอาจจะได้ยินเสียงของพระเจ้า และท่านเคยปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าให้ออกมารับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเป็นเวลาก็ดีหรือในภารกิจที่ได้รมอบหมายก็ดีพี่น้องครับหากเราเคยปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าขอให้เราอาธิษาฐานตสารภาพบาปครับและขอให้พระเจ้าทรงเรียกให้เรารับใช้หรือทรงเรียกให้เราไปเกิดผลึมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสใช้เวลานี้นะครับที่จะก้มศีรษะหลับตา อธิษฐานบอกพระเจ้าอย่างเงียบๆด้วยความยำเกรงพระองค์ครับว่าพี่น้องรู้สึกอย่างไรในตอนนี้ให้เราตอบรับคําเชิญชวนอย่าปฏิเสธพระองค์เลยครับหรือให้เราตอบรับการทรงเรียกของพระองค์อย่าปฏิเสธพระองค์เลยครับไม่ว่าพระองค์จะตรัสกับเราอย่างไรก็ตามขอให้เราอย่าปฏิเสธพระองค์พี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานให้ครวในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าไว้ครองพี่น้องทุกท่าน อามเรีน